ปัญาคาว่าพิปั ส, สนานั้นเป็นยอดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาตั้งใจฟังถ้าหาคุณปรยตั้งใจฟังแล้วมันคุณประโยชน์การตั้งใจฟังนั้นฟังแล้วจบแล้วรู้จักแล้วนำเอาไปปฏิบัติ แจ้งรู้จริงนะเป็นคมรู้ของเฮารู้เองเอนเอ ง, เ, อ ง, เ, องเข้าใจเองดังนั้นจิว่าตั้งใจฟังตอนเซามือนเน่ทำว่าเซาแล้วก็ได้ให้ข้อคิดที่จะนำออกไปปฏิบัติถ้ า, าวัานเรานำไปปฏิบัติรับรองว่าเจริง ศีลการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งการทําบุญนั่นโบมาทํากับผาก็ได้หรือจิตทากับผาก็ได้จิทํากับเนนก็ได้หรือจิตโทํากับเนนก็ได้จิตทากับพ่อกับแม่ก็ได้โบทํากับพ่อกับแม่ก็ได้จิตไปทํากับคนประเทศใดชาติใดก็ได้กเหมือการทําบุญนการทําบุญนัคือเาเอาของเอาให้ผู้อื่นเท่านั้นที่ซื้อนี่แหละ เขาเอาของเขาให้ผู้อื่นแล้วเสบายใจความสบายใจนั่นเป็นบุญเอาให้เจ้าหัวให้จัวกะมีค่าเท่ากันเอาให้ลูกให้หลานก็มีค่าเท่ากันเอาให้ผัวให้เมียกันกะมีค่าเท่ากันเอาให้ไครบ้านอื่นเมืองอื่นก็มีค่าเท่ากันเอาให้เราสบายใจความสบายใจนั้นคนเรียกว่าบุญบุญอันนั้นมันบวกก้มดนมันบวกมั่นคงมันบวกแข็งแรง มันโบธ า, าวอนมันโบเป็นปกติได้เอาให้เพลินแล้วกลับมาเสียใจที่ต่นกับนี้ดีใจกับนี้ดังนั้นที่ว่ามันเป็นของที่โบมัน่นคงโบธ า, าวรมันเปลี่ยนแปลงไปโยงตันมันคิดว่เป็นบุญแท้ตามปกติเขาที่บุกเอือนเขาเขาต้องไปหาเอาไม้แก่นแข็งแเอาตัวใจกลางมันพุ้นประเทศเสาเอือนมันยังมัง่งคง ถ้าเอาไม้พวกมีแกนไม้ผูกเป็นปลุกเงินเ่ามันก็หักง่ายถ้าฟ้าลมมาแล้วมันหักโหลดเงินห่อมันมั่นคงถ้าหากเป็นเสาปูนเสาเหล็กอย่างที่เป็นเห็นทุกวันนี้อันนั้นยิ่งมั่งคงไปอีกตึมคันโพเดียบเอาไม้หนักเหงาโมลื้อไม้ที่มันพวกมีแกนน่ะไปปลุกเงินปลุกก้มพอปีซ้ำฟ้าลมมันก็หักก็โหลด เนี่ยเป็นการดังนั้นการทั บ, บุญก็คือการการให้ทานการรักษาตว์สินก็คือการดังนั้นคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้เฮ็กอย่างมันต้องตั้งใจบบตั้งใจแล้วมันสิงโบได้ผลที่ย่าพ่อนํามาเล่าให้ฟังเมื่อดีกว่าญาพ่อรับรองได้เรื่องผู้อื่นนั้นโบต้องมาเว่ามาเราเรื่องของเราเปนมากมา เพราะว่าเขาได้ประสบพบเหตุอย่างนั้นต้องเอาเรื่องของเขามาเวา้าการที่นํามาวา่าวเราบอกเป็นอวดดีมันมีของจริ ง, งทั้งทันจึงนํามาเว่าสู่ฟังเหนว่าตามภาษาบ้านเขาเนี่ว่าคนมีดีแล้วออกมาให้โมเบิง้งมีแก้วมีเพชรมีอะไรเล้ออมาให้โมเบิง้งเพรานั้นมีดีแล้วออกมาเวา้าวเป็นว่ากันว่าเป็นอวดดีอันอวดดีแล้วของพวกมีเขาพวกมีเงินว่าเขามีเงินเป็นเงินข่มขี้คูยอย่างนั้น ขันเขามีเงินร้อยเขาบอกว่าเขามีเงินร้อยมีเงินพันเขาบอกว่าเขามีเงินพันว่าแม่งคนขี้คุยอันหนึ่งคนวอกผจริงคนมีเงินมากเดียวเนื่ว่ามีเงินร้อยอันนึงเขาว่าคนขี้คุยคนมีร้อยเดียวว่ามีพันมีหมือนเขาเอกว่าคนขี้คุ ย, ค ย, เ, ย, คคยเป็นอย่างนั้นว่ามีขี้คุยเดีวยวคนคุยโมเขาอะเนี่ยเข้าใจง่ายๆดังนั้นหลักพระพุทธศาสนานั้นเธอจะมีมากเท่าแต่คนตามสอนแต่เรื่องทุกเท่านั้น ให้เขาหัวใกวิธีแก้ทุกข์ดับทุกข์ในตัวเขาให้เหมือนไดสำหรับญาพ่อเองเคยให้ทานเคยรักษาิ่งเคยทำบุญหลายอย่างตลอดถึงสร้างโบทสร้างโบทถบนอื่นว่าสร้างสิ่งสร้างผู้เดียวอีกด้วยนี่มีเงินพอใส่ว่าจะได้บุญหลายตายแล้วจะไปเกิดเมืองสวรรค์สันฟ้าอยู่ใส่หหลักโอ้หัวใจกันนัน สร้างแล้วจ้างหมอรมมาให้บุญสรรองสิ่งจ้างนั่งไปจ้างทุกสิ่งทุกอย่างนำไปเท่ไปงานให้แม่ต้าน้าราไปเบิ่งไปสมให้เพื่อนมีความสนุกสนานล่าเลื่องบันเทิงไปทั้งสัป น, นั่งกระดีอยู่เต้มันพวกแกนแข็งมันพวกแข่งแรงมันพวกคือแก่นไม่จิกไม่หังมันบวกคือ แก่นทางไม้ตีเอื้อมไม้แต้บ่มมีอย่างขจาว่ามันแข็งดีมันก็เป็นทางสั้นมันเป็นไม้ผูกมันเป็นไม้หนักเหยาไม่หนักเหยาวนะเอาไปให้เสาเกินมันบุได้กุ้มดนลมพัดมันหักโอกโลดถ้าเป็นแก่นไม่จิบไม่ห่างในแก่นไม้แต้เนี่ยฝั่งลงแน่นแน่นแล้วฟ้าลมมาพัดมันก็โบเคลโบไหวถ้าเป็นเสาหินเสาปูนเสาเล็กกระยิ่งมั่งคงเข้าไปอีกตืมเพลินหนึ่งมันเป็นทังสั้น ดังนั้นการถือพุทธศาสนาเนี่เขาต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้รู้แจ้งรู้จริงอย่าเพียงรู้จำเท่านั้นการทำบุญให้ฐานรักษาสิ่นั้นเปียบแล้วพบปะเถ้าเปลือกไม้ไมเ่เสือนเอาดียูได้อยูย่มือหนึ่งสองมือเท่านั้นแหละถ้าเป็นไม่จิกไม่หังไม่แต้แทนยู่ตลอดจนชีวิตตายคน่ะไอ้ป็นอย่านดังนั้น ที่จะนำมาเล่าให้ฟังนี่ก็เพื่อให้เขาผู้จักบ่ได้ดอ้างเอาคำคมคำพีมาลมบาลีไม่ยัง่งเนี่ยวาภาษาพื้นบ้านของเขาภาษาบาลีนั้มันเป็นภาษาที่ตายตัวแล้วภาษาแขกพระพุทธเจ้านั้นบ่ได้เกิดในเมืองไทยอเขาเกิดเมืองแขกดังนั้นเขาเหียนจึงได้เห็นภาษาบาลีและมาแปลเป็นภาษาไทยของเขา กานแปลนั้นบางทีอาจจะเคลื่อนไปในน้อยกระได้หรือที่โบเคลื่อนกระได้หรือบางทีอาจจะผิดไปหมดกระไดสมมุติว่าน้โมตัสสะพระครวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอันนี้อย่าพอได้แต่เมื่อเป็นเด็กน้อยพอเงินอยู่ใครวัดไปอาบน้ํำต้นกระบานห้โมตัสสะกระโดดน้ําน้โมตัสสะพระครวะโตกระโดดลงไปรดน้ํา าาก็มก็ได้ติดจติดปากไว้อันนันซึ่ว่ารู้จำบัด น, นี้ญาติโยนมทางนี่ก็คงจะรู้จักเหมือนกันบัด น, นี้มาแปลกตื่มานัโมตัสสาพะคาวาโตแปลว่าขอโนบโนมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอลาฮาโตแปลว่าผู้ไขจักกิเ ล, ล, าาลสไขจักกิเลสคืไขจักอาศึกนั่นแหละสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธเจ้ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้วนํามาสอน แล้วเขากระจันได้อันนี้แต่ว่าเห็ดเรียวบอสเดี่ยงเอเห็ดเตะซื้อเนี่ยนโมตัสซาแปลว่าขอโน้น้อมนกที่จังไหนน้อมให้จังไหนเข้าใจแล้วบอสขันบอกเข้าใจนะก็เอ้ยมันนกแก้วนกคุณทองแก้วจ้าแก้วจ้ากิงเข้ากับกล้วยบอสเขาเอาหกพิคิ้นหนูให้กินนั่นคำว่ากินเขากระม่อกล้วยเอาหมกแค้งขมขายให้กินนะครับว่ากินกับหมกกล้วยเตบความจริงมมกพิคคิ้นหนูหมกแคข้งขมซื้อๆบัวมีหมกกล้วย อันนี้ก็คือก <c oughs> ารนโมตัสสาภะวัตโตนี้นเป็นวันแปลว่าขอนบน้อมแ <c oughs> ปลว่าไก่ไจักข้าศึกไก่จักกิเลส <c oughs> พระ พ, พ, พุทธเจ้าเพิ่นเห็นทังสันถ้าเขานบนเขาน้อมแล้วโลกเขาจิตสบายขึ้นม า, นาไก่จักข้าศึกแล้วโล ก, กสบายขึ้นมาโลกนั้นไม่ได้หมายถึงดินฟ้าอากาศโลกคือมู่สัตว์เป็นวันตโตเขาที่ส่วคือมูสัตว์ ก็จะ <C> e <an> คือผู้อื่นเท่านั้นเองนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะอนันตเป็นภาษาบานี้พูดแล้วก็ บ, บรรลุเรื่องเอาออกซ์ซื้อบัตติเขามาแปลตึมให้เป็นภาษาไทยเขาสอนลูกสอนหนังเอาไว้นมโมตัสสะภะคะวะโตเปลว่าขอนุกน้อมอะระหะโตเปลว่าไกจักกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธเจ้ารู้เองเห็นเอง แล้วเข้าใจแล้วนำมาสอนประเด็นนกผู้ใดนกยุใสนกนอนมะนกยุใสเป็นนกพีพุ่มขมีนกเทวดา็มีเป็นนกเลือกงามย่างดีเป็นนกยุใสของบุญหูจักนกนอมคือนกโตเฮาท้าที่ถูกแท้ๆเนี่ยพอหูวจักหรืนกผู้ใดก็บริานกโตเฮาโตเฮาใจดีเฮาเห็นดีแล้วเขานกอยู่เนี่ยพอนกนอมนกโตเฮานอนโตเฮา เมื่อเหานบโตเหานอนโตเหาเด่น เ, เด่นการนบนอนผู้อื่นทั้งหมดในโลกนีโ้โรดนี่พระพุทธเจ้าเป็นสอนอย่างสันกก้นอณาจารย์โตเปลียบไก่จะฆ่าศึกกว่าสัตน์พระจิมาฆาเหาพระจีมาตีเหาพระจิมาลักของเหาฆ่าศึกคือไปฆ่าไปตีกันนั่นแหละเมื่อเหานบนอนกับไก่โลดพ่อกับโบตีแม่กับโบตีกันเป็นผู้น้อยคูบาอาจารย์คือกันกับเนนถ้าเหานบนอนพอหยุดเสมอได้เหมืนกับโบฆ่าโบตีเหา เพื่ก็สอนดีให้เขาสัมาสัมพุทธศาสตร์เนี่ยเพื่นหว่ารูเองเห็นเองพระเจ้าเห็นย่างสัน่นเพื่อนยังสอนให้เขาที่ยังสัน่นนี่เขาโบได้เหตุตามพระบุริเจ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเหตุตามผู้อื่นเขาจึงบบรูจักว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องอันในแท็จันนี้เพื่นสอนเรื่องทุกข์วาสันทุ ก, กข์เกิดขึ้นเพราะยังเกิดขึ้นเพราะเขาโบยิ่งจิตโบยินใจเขาเขาจะไปเบื้องผู้อื่นพุ่นเบื้องโลกเบื้องลาน เบิ้องให้เบื้งมาคึ้นเบิ้งรถยนต์ผู้มีรถยนต์นะผู้มีงัวมีควยกับเบิ้งงวงเบิ้งควยผู้มีรถยนต์ผู้มีงมวบงงวผู้มีขวยเขไปเบื้องหนังเนี่ยไปเบิ้งแต่ผู้อื่นคนอื่นเขลืมโตคนลืมโตนั้นเพื่อจะว่าคือควตายแล้วนี่นะอังคนตายเน่าเข้าหลงั้นเอาไปจูดเอาไปฝัง ม, นนนนมนันเหมึนเอาเนปาหนเอาไปเห็ดมันนึกเหมนกินมันอันคนตายแบบที่มันบุทันได้ตายมันลมหายใจนี่อันนี้มันเดือดร้อนมันเหม็น คนแบบนี้เลยมันเหม็นหลายที่สุดมันทําควมเตื่อนรอนให้แก่บ้านแก่เมืองปัณนี้คนเหม็นส่วนนั่งกัญญบุษมิ์เหม็นปัณณายถืออีตืมควมเหม็นอีตืมส่วนนึ่งคือจิตใจเห่าเน่าเหม็นเปียกเสยอยู่ภายในเหานี้เพื่อนว่าอาศัยบรรณาจะพาลานังปัณฑิตานังจะเสวนาปูสาจะปูสานิญานังเอตัมมังคลมุตตัมมังแล้วเอาเจ้าหัวไอจัวไปสู้มน ไม่ออกพอออกเมือม่อที่คนบ้านคันเมื่อบวชยือเพิ่อนกันว่าเอื้นพระคันซิกอเอาเพื่อนเป็นโยมนี่มาตับกันจอ ง, งสั่งเขาบอกเข้าใจเขาบอกเข้าใจเขาจึงเหตุเขาจึงทําเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาจีบวเหตุเขาจีบวยธรรมจังสั่งอะเซบันนาจะพาลานางพาลาอเพื่อ้นว่าคนโง่คนบ้าคนปวเต็มบาทคนบวเต็มเต็ง เ, เป็นว่าสัน่นเพื่นเอื้นคนพานคนพานแบบกินเล้าอยู่กลางถนน เรื่องคนผานไปหาลักหาพุ้นหาจี้เรื่องคนผานไปโต้ว่าโตเถียงกันนะั้นอันนั้นคนผ่านภายเมาเขาเวีนได้ง่ายง่ายอันะับัณฑิตตานั้นจะเซวนาอันบัณฑิตผู้ศึกษาเราเรียนพัฒนไตรปิฎกจนจบมานั้นก็เป็นคนผานไผยเออเป็นบัณฑิตภายนอกเรือผู้เรียนนะักทำเตนะักทำทนักนะทำเอกก็ตามเป็นบัณฑิตภายนอก ต้อรอดถึงพระทรงองค์เนที่บวชอยู่สมัยนี่เขาเป็นบัณฑิตภายนอกบวชแม่นบัณฑิตภายในใจเขาปูษาจะปูษานิญหยานังเขาที่ไปปูษาพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียเพื่นกับไปบูดถึงเรือเขาที่มาปูษาพระพุทธรูปนี่เพื่อนกับบสตรศเขาไปปูษาเจ้าหวยอยู่ยู่ภายในวัดเพื่อนบวชแ้ะเพื่อนกับซื้เพื่อนเอาอย่างให้เขาอันนี้คดีอยู่บริษัทําลายสอนให้เขาจักซื้อๆเอาไปสอนอย่างสั่งอันนี้เริ่อควรปูษาพระเจ้าสั่ง การปูษาผู้ยังสั้งกับเป็นการปูษาแผ่นอกอยู่อีกเตืมว่าเมนปูษาแผไแเขาเอตัมมังคัะมุตตัมมังเหลั้นสามอย่างนี้แหละผู้ได้เห็นได้เป็นสิริมงคลคําว่าเป็นสิริมงคล น, นั้นหมายถึงเป็นขนีเพื่อนวัง บ, บัดนี้ฝังอีกเตืมประโยคสั้นๆที่จะนําไปใส่ได้กับชีวิตของเราอเซวันนาจะพาลานังอยากไปคบมันโทสัง โมหโลภเขาจะไปคบมันมันเป็นคนพานบัณฑิตานัณจากเรวนาครบไภัยเนี้ยคบสติครบสมาธิคบปัญญานี่ปูซาจะปูซานิญาณังปูซาสิเดปูชาโตเฮานี่เขาเห็นแล้วเขาอุตจักแล้วบ่ น, นเอตมังคณมุตตมังการทำดีพูดดีคิดดีเป็นสิริมงคลแกโตเฮาบ่ได้เป็นสิริมงคลแกผู้อื่น เพื่อนสอดจังสังยู่ใส่กินใส่นั่งใส่นอนใส่ก็เพรามีความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นนั่นคือเขาบุเห็นใจเฮานี้บุเห็นแท้ๆคนเนี่ยเกิดมาร้อยวันพันปีพวกเคยมาเบิ่งจิตเบิเบ่บงใจตัวเฮานี้มันจ้าบุมีใจมันจ้าบุมีแกนแข็งเขาไปเฮ็นแต่บุญนั้นบุญนั้นสมมติเขาไปกินเข้ารีบอย่างคนเอิญข้าผีเขาเห็นให้เห็นหนาเต็มท่องเต็มนาห้า บ้านเนี่ยพอเนีย่ยพอเป็นเด็กน้อยเป็นนอนนานน้ำพอเฮ็ดนาได้เนี่ยพอเวลาที่เอาเข้ามาบ้านมันเนี่ยเอาไม้ไผ่มาผ้าโพงพาเครื่องกลางมันแล้วเฮ็ดเป็นรอเป็นเกียนเอาเขารีบใสหฮันแกไปให้ผีเสื้อไห้เสื้อนาแกไปให้สเกียนสี่เกียนห้าเกียนเอาแล็บไจะแกไปให้เล็บเขารีบแกไปให้พีกินเขาตึงเขาแกเอามาไว้บ้านเลยเอือนเอาพี่ไม่เล่าไว้ ยุงไม่สั่งเขาพี่คันผู้ใดยังไปเสื้อจังซันอิ่นมากินข้าวผีเขาบ่มีวิตามินกินหลายแล้เป็นฟกเป็นบวมตายซ้ากินข้าวผีมันบ่มีวิตามินสู้เขาอุวนๆเต็มๆเม็ดเดียวโบได้เขาอุวนๆเต็มๆนี่จะเป็นข้าวเจ้ากับซังข้าวเหนียวก็ต่างเขาเอามาตัดมาสีแล้วมันมีวิตามินนแทบเป็นเอไปหงกินกินแล้วกรนให้คุณเขาเตะ ส่วนเข้าวผีนั้นยิ่งกินเท่าไหร่ยิ่งเป็นผิดเท่านั้นอันนี้สุวัสดิสอนขว่มโบยิงให้กันฟังเพื่อนว่าจังทั้งพระพุทธเจ้าก็ยังสอนเอาไว้กันว่าโมฆะเนี่ยให้น้าคิดพระพุทธเจ้าเป็นสอนเอาไว้ผู้ใดเป็นโมฆะแล้วยหิบระวังหีบย่านหีบบัวโมฆะบุรุษเนี่ยเพิ่นเพิ่นมาใส่บัวได้ผู้ที่พระพุทธเจ้าซี่ว่าโมฆะนั่นน่ะให้หิบเลิกหิบทอน ให้มาตั้งตนตั้งตัวอยู่ที่อันมันพเอื้นสมาธิพีสมาธิพีไปว่าคมเห็นทุกข์เห็นอันไรเห็นทุกข์ก็เห็นโตเฮานี่เสริมมันที่ิดไปไปเห็นโตเฮาเห็นชีวิตจิตใจเฮานี้จึงว่าเห็นทุกข์เเห็นบนอื่นนั้นบุไม่เห็นทุกเห็นผู้กขอื่นบุญ่เห็นโตเฮาให้เข้าใจสั้นๆเขาเอาไมมมาให้เถอะเงินเอาแก๊สมันก็คือเอาใจกลางมัน เขาก็ต้องมาเห็นจิตเห็นใจเขานี้สนุนคันเขาไว้เห็นจิตเห็นใจเขากระจิม่ใจกลางมาจากเธอบอกน้อก็ะจิเป็นแกนเป็นแกนได้จังไงน้อก็เป็นไม่ผูกสนุนน้องก็เพิ่งบอดายสนุนเขาเคยได้ยินบอสพระเพิ่งก็สอนมาหรือพ่อแม่เพิก็สอนมาเรื่องนี้บวชเป็นเนนมาแล้วก็เหียนรถมาอัตตาเหีอัตาโนนาโถต้นนั่นแหละเป็นที่เพิ่งของตนจะไปเพิ่งคนอื่นบอดา เพิ่งที่กระบบได้เพิ่งเทวดากรบบได้เพิ่งเลื่องงามยามดีบุได้ทั้งหมดที่สุดเพึ่งพอเพิ่งแมก่กระบบได้เพิ่งพระพุทธเจ้าเองกรบบได้ทำไมก็บเริ่งบ่ได้พระพุทธเจ้าเพิ่งกล่าวให้ท่านเอาบุปผิ น, อ, นอันนี้เมื่ออยางพอบวชแต่เมื่อสมัยก่อนเจ้าคณะําเพิเสียงคานภาคูวิสิต ร, มรัมมญาณนี้เป็นอุปสารคเพื่อสอนให้ว่าอาับขาตาโลตถาคตา พัฒนาคนนั้นเป็นแต่เพียงผู้เนี่แนวเท่านั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธออย่างที่อย่าพ่อเว้านี่ก็คือการอย่าพ่อก็จะเป็นเพียงผู้เนี่แนวเท่านั้นการปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของหมู่ผู้ฟังทั้งหลายพุนวิธีที่จะเข้ามาดูจิตดูใจในทีแรกอันนี้ว่าด้วยตนเองอ น, นี่แต่ก่อนนําเข้าใจว่าเฮ็ดจังสันมันผูก เมื่อมาเจริญแบบนี้แล้วอันนั้นมันบบทุกแต่บก็ะทุกยุก่มันทุกน้อยมันบบทุกหลก อ, อไฟนี่มันไกลพดเ ม, ม, มันโบทุกหลเมื่อมันบบทุกหลายแล้วสิมันกับว่ามาีขามาดังนั้นวิธีเหตุนั้น คิดจังหวะพลิกมือขึ้นให้มีสติเข้าไปรู้มือให้หูจกหักรและหมือกับหูจักไม่อันเดียวกันข้อมือลงให้มีสติเข้าไปหูมืออันหเมื่อหูจักรนั้นเป็นสติสติท่านจะว่ามีค่ามีคุณมาเป็วนวาอย่างไรตามตัวหนังสือเป็นวาทำที่มีอุ ป, ปกรณมากสองอย่างคันว่าค่ามามันบริตตีละค่ะเป็นเงินเป็นทองลอยหนึ 1, 200่งสองลอย พันหนึ่งสองพันหมื่นหนึ่งสองมืนแสนหนึ่งสองแสนล้านหนึ่งสองล้านเป็นกว่าว่าอย่างสัน้นว่าจะมี่ามากจนผู้มีสามาจิ่ตั้งราคาขึ้นมาได้ว่าจะมี่ามาคือสื่อทำที่มีอุ ป, ปกรณมากสองอย่างเลยหนึ่งสติคนระลึกได้สัน้นสองสำป่ า, า, าจัญญาความรู้ตัวเขาผู้มีสติตดนี้เขาผูเจริญสติเขาบมลูตัวเขาเขาผู้เจริญให้รู้ตัวเขา เขาไปมีสติบนอื่นพุ่นไปรู้บนอื่นพุ่นเน่มันเป็นทางการดังนั้นจะควมตายอันแบบอื่นๆนั่นเฮามันเอาไปฟังไปทีไหนอันตายมันเน่ามันเห็นเปียกเสดยู่ภายใต้จีใจเพราะนีเจึงมันเดือดรอนหลายเพิ่อยังให้มาเจริญสตินี้ให้มาเห็นมารู้ให้มาเข้าใจควมจริงอันนี้บัดนี้เอียงซ้ายเอียงหัวให้เขามีสติไปรู้อันตัวสตินี่เขาสะสมไปได้น้อยเนี่ย คลายๆคือเขาจู่ที่มืดเขาเจริญมากๆแล้วบัณฑิตเขาเอาไม้ขีดมาแล้วกับเพียนหมาจุดไฟขึ้นความมืดมันหายไปโมดมันปนีแต่ให้ระวังให้มันดีความมืดนะเอาไปมาข้างหน้ามืดมันแล่นมาข้างหลังขันเอาไฟไปข้างหลังมืดมันแล่นมาข้างหน้าคือเขาอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละอันนี้ให้ระวังให้ดีอันนี้ความโกด ค, ความโลภความหลงนั้นมันเกิบประด้มีอยู่แล้ว แล้หาว่าเบิ้งมาจากเทือกเขาไฟไปเบิ้งไปซ่องมันไปซ่องมันแตะพวกอื่นแล้วอาไปหาคมโกด ค, คมโลกคุณลงไปหาหมอจีเห็นวัมันพบเห็นเจ้าของบบมีของโบมีบมอจีเห็นจากเทือกห้าของโบมีมันกระโดดได้ตื่นเต้นของมีหาต้องเห็นของมีหาต้องได้ของมีอันใดเป็นจริงเป็นจังกันทีแท้เนี่ยเป็นจริงเป็น หาตัวรูปเขานี้เห็นในรูปเ่านี่ซองเขาห่าชีวิตเขาคือลมหายใจมันนี้ยทาบเขาหาเบิ้งใจเขามันคิดมันก็คิดขึ้นมาห่าเบื้งทราบอย่างนี้เห็นแท้ๆรับรองแทนพระพุทธเจ้าเห็นแท้ๆอันนี้อันนี้แหละของจริงแท้ๆในทางพระพุทธศาสนาการทําบุญให้ทานรักษาศีเลเจริญสมถะกรรมฐานก็าากนตามจเจริญที่ปัสรนาก็ตามมันเป็นสมมุิเว้า สมมตินั่นจึงมีมากจนว่าแปดหมื่นสี่พันพันธมาขันคุณพนวัตรวมความแล้วกระที่มาเบิ่งตั้งแต่กายกับใจนี่เองไ่ดได้เบิ่งบนอื่นอันกายของเขาเนี่ยเขาก็เห็นใจเขาเขาก็ต้องเห็นใกผู้อื่นเห็นที่เขามเป็นโสูอันนี้คนเขาขันโกดขึ้นมาทุกบอสอันนั้นแหละทุกอย่างหนักที่สุดแต่คนผู้เป็นปุถุสนนั้นว่าสนุก กันไปผิดไปเถียงกันมึงว่า้กูกูเขาว่ายมึงเนี่ยเป็นว่าเนี่ยเป็นเอิญคนโง่คนโง่จักเนี่ยเป็นว่าท<ม>่นยังมาตั้งซื้อไปอีกเติมการทานเนี่ยเจือมีสามอย่างหนึ่งวัตถุทานส อ, อัอภัยทานสามธรรมทานวัตถุทานคืออยัางวัตถุทานมันเป็นเปืออ้อกอภัยทานนั้นเพิ่งว่าเป็นแกนเข้ามาแด่เป็นมอกมันธรร ม, มทานนะเพิ่งว่าเป็นแกนใจกลางมัน ให้เข้าใจจักสันวัตถุทานคือเอาเงินเอาทองเอาเข้าวเอาของไปให้พวกอื่นต้นรอดเอาเข้าเอาอาหารไปใช้เจ้าหัวไอจนนุ่ยกินนี่แกลยเป็นวัตถุทานบนเบญธรรมมาทานแท้บนเบญอภัยเนฐานแท้เป็นวัตถุวัตถุหมายถึงมองเห็นด้วยตาจับทุกขด้วยมือเพื่อน คนเอื้อนอภัยทานดีก็วัตถุทานลอยเถื่ออิทึมันนี่เขาให้อภัยทานเพื่อเดียวเนี่ยเขาวัตถุทานร้อยเถื่อยัมวดีเท่าอภัยทานเพื่อเดียวเนี่ยธรรมทานบัดเนี่ยธรรมทานหมายถึงการเจริญทุกของอังอนิจจานัตตาที่อันนี้คนเอื้อนธรรมทานเบาเรื่องทุกของอังอนิจจานัตตานี่คนเอื้นธรรมะคนมันเป็นทุกคาากนรู้จังสันบัดนี้อภัยทานลอยเถื่อพันเถื่อ ขันยาบททอการเจริญธรรมธาตุคือเจริญปัญญาเจริญทุกขงังอันนี้จังอัลตาที่เทเดียวเป็นวันอันนี้เป็นวิธีทำบุญเป็นวิธีเอาแก่สไม้มาเฮ็ดบ้าเฮ็ดเงินทที่แท้อเนีดียดฉะนั้นให้เขาเข้าใจให้มันดีถ้าเขาบอกเข้าใจแล้วมันจริบอกเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาที่แท้เอ้และนี้ต่อไปเรื่องการทำ บ, บุญเนี่ยเพิ่งมาเอาเข้าไปทานให้ใกาก็ได้บุญคือกัน เอาไป้คนทุสิ่งก็ได้บุญคือกันเอาไป้จัวก็กได้บุญคือกันเอาไปให้บุได้เมื่อศิลป์วะอันนี้ก็จีวอกให้ฟังเพียงสั้นๆเพื่อว่าจีได้นําไปปฏิบัติเอาเข้าไปทานลอยเทือพันเทื อ, อก็มีอา น, นิสงส์งเท่ากับการรักษาทิเ้เทือ น, นึงเพราว่าทานใานวอยปุนีแหละอันเนี้ยการรักษาสินั้นลอยเทือพันเทือ กระบอกมีอันนี้ส่งเท่าการแต่ทาให้จิตใจสงบเพื่อนึงเหมือนการทําให้จิตใจสงบนั้นร้อยเทือพันเทือกระบอกดีทอกัดเจริญปัญญาเือหนึ่งเพื่อนวะนี่การเจริญปัญญานั้นรู้จักป๊อปผมรู้จักแล้วของโบเห้จากเธอเอง้นารเจริญปัญญานั้นก็ื่อนามาอหมายเอาขววงตื่นตัว <c oughs> เรียกรองเอาข่วมรู้สึกตัวเข้ามาอยู่ในเฮานี้มันจะเกิดปัญญา ห้าห้าเขาลืมตัวเขาเลีวกเขจะบเกิดปัญญาเญือ่อมาให้เรียกลองเอาตัวสติคืนกลับเข้ามาหาตัวเหานี่ให้มันรู้ให้มันทากรู้เพ่อว่าตงข้าเหา่ทาดรู้ของบุคคลมีอยู่แล้วทุกๆุกคนบนยกเวนผู้หยิงก็มีผู้สายก็มีเนรนก็นมีเจ้าหัวก็มีมีมัดคือกันมัด ผู้เท่าผู้แก่จะมีมัดพู้นมผู้น้นอยจะมีมัดเรื่องนี้ดังนั้นจึงว่าให้เอาพาอย่างจเจริญปัญญาให้มากเรียกร้องเอาความรู้สึกควมตื่นตัวของเราให้มากเมื่อเว้ามาถึงจุดนี้ก็คือเราเรื่องที่เปลี่ยนจีกน้อยอย่างน้อยเป็นอ น, นานนพรอย่พอพ่ออย่าพอ่พ อ, พอเพิ่นเป็นนักบวชเพิ่นล่านิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้สู้ฟังจำได้จำบ่ได้ามาผิดผิดทุกโุก คำว่านิทานนั่นก็เป็นเรื่องประหลามปลาแต่ก็เป็นเรื่องจริงอยู่ฮะเพผนวาศาสนาพุทธเนรร่วงไปได้ห้าพัน 5, ปีแล้วสันเพลนวะกี่เมื่อเจ็ดวันเจ็ดคืนนะสั น, นเทวดาที่เอาฝ้ามือบอกเอาไม้อย่างเป็นบางดวงที่หลงจับไวบอกให้เห็นฮงใครๆคือเขาอยู่ในถรำนี่วะสันเพลนวะไปใส่มาใส่บุหุจักบัด น, นี้เขาหน้าเป็นถรม ไปต่ำกับฮีกระจิตไปตำกับไปตกโซกกระทายซำนี่ยเป็นตอ น, นี้คนยุนั้นแหละเป็นว่าไปใส่มาใส่ไปตำไปเจอคนเข้าพ่อกับแม่เห็นกันกินกันโหลดอุ้มกินรันผู้ใดมีกำลังก็ได้กินผู้ใด นี่ในโลกนี่ล ใจได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากพระบริเจ้าในข่าวนั้นผู้ใดมีปัญญามากจะได้เป็นพระอรหันต์ผู้ใดมีปัญญาน้อยลงมาจะได้เป็นพระสักิทาคาลงไปเออพระอนาคามีลงไปอย่างเพราะว่าหลงเมื่อกี้นี้ผู้ใดมีปัญญาน้อยลงมาก็จะได้เป็นพระสกิทาคาผู้ใดมีปัญญาน้อยลงมาก็จะเป็นพระโสดาผู้ใดมีปัญญาน้อยลงมาก็เป็นมนุษย์กระตัน คนในมีปัญญาน้อยลงมาก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยมาทำงานเงียบพ่อทําบุญเอาเงินไป็นล่อพระเท่านึงว่าได้บุญหลายเนี่ยขึ้นมาจังทร์นี้แต่ก้อนนั้นมีเงินนักหน่ะซีสลึงเงินมากอย่างปีเป็นวาน้ําหนักซีสลึงเงินมาทเท่านั้นเงินเหรียญแล้วองเงินกีบหนักเก็บสลึงเยียบพ่อเคยไปเมืองลาวได้เงินขาดเงินหามาเก็บมาไว้บอกให้ไม่ออก ผูเมียแล้าเป็นมีอย่างก็ไดทอนไว้ว่าจะมาร่อพระนั้นมันได้บุญหลายนัามาล่อล่อพระกับพวกผู้จักเรื่องนี้ผู้จักแค่บัดนี้อันที่แทงออกมานี่แหละพระพุทธรูปมันมืดแล้วซึ ม, มือเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจับต้นสนปลายโบได้แล้วอันลับพุทธาศาสนาใ น, นสดเรื่องอนันไรมันมืดตึ๊บเฮ็ดบุญแบบ น, นี้ฆ่าหัวฆ่าหวายกินเล้าเนี่ย เขาก็าเนี่ยวเฮ็ดบุญยู้อนนั้นไปบอกให้ตำรวจมารักษาความสงบสอันนั้นการเฮ็ดบุญมาที่มีความเดือดร้อนยันไหนมันก็มีความสงบเสีนวฮะมันอย่งถูกอันนี้เขาก็ว่าเฮ็ดบุญมาเฮ็ดบาปแล้วอันนั้นมันผิดแล้วเขาเฮ็ดตาใจสอบเขาเขาสอบจังสรรเขาก็เฮ็ดไปจังสรรครูบาอาจารย์ก็สอนจังสรนแล้วเขาก็เฮ็ดไปตามอารมณ์นั้นเชื่อคนบูมุจักต้อคนบูมุจัก คนตาบอดต้องคนตาบอดจูงกังกนก็ลงปูลงคลองตกโซกตงเห็ดตายหมดนี่เป็นอะไรอันนี้แหละเขาว่าเอาเห็ดบุญมนันบนแม่เห็ดบุญมันไม่เห็ดบ้าอั น, นเอาเห็ดบุญนะั่นคือเอาเห็ดเดี่ยวนี้นี่แหละนี่คนเป็นรอยนี่นี่อย่างน้อยต้องลอยหนึ่งต้องหอดเนี่ยพอเบิร์เนี่ยแล้วก็มีการที่ทะลอดทิดเพี้ยงขันมีอย่างอันนี้เห็ดบุญแท้ๆมันสงบแท้ๆอันนี้อันนี้แหละเห็ดบุญแท้แ้และห่อกมาเนี่ยพระพุทธลูปหอกมาเแบบนี้ ขันท่าก็จะรูดมันห่อบอด้าันไปก่ก็ได้แบกไปขันผาใหญ่ผาโน้นก็ได้เอาแขนคอไปขันท่าอย่างนึ่งก็ได้พกผ้าพายไปมันห่อไปบอด้ายผ้าอันนท่าอย่างหนึ่งก็ได้พกผ้าพายไปมันห่อไปบอด้ายผ้าอันนั้น่ะอันโตคนนี่แหละมันห่อหมาได้เพเป็นห่อหมาอันผู้อยู่ไกนั่นั่งรถม้าขันมาฮอนะแบบน มันก็เม่นหอกมาแบบนั้นอันนี้แหละพอหยาพอวะเห็นฟังเดีวคุณทูมันไกลกันในแค่เรื่องผมวาเนี่ยมันไกลกันจนเรามองไม่เห็นให้เหาพากันเจริญสติเจริญปัญญาให้มันหูแจ้งเห็นจริงให้เป็นสาวกพุท ธ, ธขึ้นมาได้จริงจริงอันนี้แหละไปฟังนะน้ังเกิดสติปัญญาแจกก้อนฟันแล้วก็เสื้อซื่อ เชื่ว่ามันที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพ่อทำบุญปราถนาจะไปเสด็จปอนที่มันมืดเจ็วันเจ็ดคืนนั่นแหละจะไปฟังพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมว่าตัวเีองได้สแสดงได้เป็นฟังพระพุทธเจ้าแล้วทีได้เป็นพระทีะบุคคลว่าท่านมันเข้าใจไปไก่พุ่นมันบ่ได้เข้าใจมหาตัวเฮาเราก็เลยบปลูกของจริงเมื่อเข้าใจมหาตัเฮาแล้วมันจึงเลี้ยวของจริงทแท้ๆพ่อผิดแท้ๆอันนี้รับรองได้ รับรองได้จริงๆเนี่ยรับรองร้อยเปอร์เซ็นตเได้เนี่ยว่าไม่ใชรับรองน้อยไลยอันร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยงเอาเงาซื้อซื้อเพื่อนมาให้ฟังว่ายอมเสียสละกเงินทองเอาเนี่ยเพราะรักษาอวัเนี่ยว่าเมื่อเขาเจ็บหัวปวดทองเขายากตายเป็นบอสเพราะงอมเสียสละกับเพราะรักษาเอาไว้เนี่ย่ายอมเสียสลากเอาไว้เนี่ส่วนใดส่วนหนึ่งออกตึ่งเนื้อหนังออกเป็นปาดเป็นแผลหมอเพราะว่าเขได้เขาตัดทิ้งทัน เขาบวอยากตายเขารักษาเสือก็ตัดทิ้งอีกตืมเธอหนึ่งแบบ น, นี้มันเป็นอย่านไรวันน้ยอมเสียทางชีวิตอีกตื้มแบบ น, นี้เพราะรักษาข่วมจริงคือสัจธรรมนั้นสัจไม่ว่าของจริงจริงแท้ๆอย่างเบาเบาเนี่ย เ, เยบาเบาโดยบิดเพีวรล้วหลังมิเงี้ยงบดได้ไปแอบห้างเอาตำรับตำนามาว่าวมิเงี้ยเว้าค่วมจริ้งนังนั้นคนนี่จึงสามารถทําตัวบุคคลพวกคนน่ะเป็นพระขึ้นมาได้ถ้าอันที่เขาบวชกันนี่บวชแล้วก็ซึก ถึกเนี่ยกัะโปะมันเป็นสมมุติอย่างวะให้เขาจับสมมุติจริงๆนี่นะคันาัวจับสมมุตินี่ก็เป็นตียุสมมุติกระตายแล้วบหมืนเนี่ยเขาก็เป็นพระบอดาแล้วเป็นพระบได้ไปใส่ยุก็เป็นตกนรกพุนแล้วพระนี่เพิ่งว่าเป็นผู้ประเสริฐไปสวรรค์ไปมีฐานพุ น, นมู่จะอยากไปตกนรกแล้วอยาไปสวรรค์มีฐานเดียวนี้นี่ก็คุณอยากไปสวรรค์มีฐานเสือเงาเมืนหมอน้อใครที่อยากไปนรกจากคนนรกนั่นแปลว่ามันพุ่งมันเดือดร้อน อันควมทุบควมเดือดร้อนมาอยู่สี่ดานั่นโลกยู่ใต์ดินเขาเอาเครื่องไปเจาะน้าบาดาลก็ว่ไปเจาะอามนุโลกจากเถื่อป่านนี้นี่ไม่เป็นอะไรสันอันนา้กโลกแท้คือควมโกดมันพกดขึ้นมาแล้วนางได้บอสนางม่อนรกมันฮอนอยู่นั่นยืนขึ้นบนรูปปนเนี่มันยืนอยู่ม่อนรกทองแดงห่อนทองแดงกระทะทองแดงมันฮอนอยู่ย่างบนุูนนปปั้ย่งางกับ้อนอยู่สันนอนดุ มันก็ฮอนอยู่นะพ่อมันน่อยม่นกระทาทองแดงอันนี้แหละนั่นโรกจริงๆนันี่นั่นโรคคือความร้อนอกร้อนใจนั่นน่ะมู่เจ้าทําบุญมันเศรอบอ่ะมันบอเศร้าอันนั้นอยู่มันเป็นเป็นเปลือกมันซื้อซื้อมันเป็นแกนมันมันม่นใจกลางของมันมันเป็นข้าวผีอันนั้นะมันบ่มีวิตามินมันเรียกมันมัมันคงอันมันมันคงนั่นมันเป็นข้าวเม็ดอ้วนเต็มเต็มคุณมันก็ไม่เข้าวลีบอันที่อย่าพ่อว่านี่มันเป็นข้าวอ้วนข้าวเต็ม มันมีวิตามินเอาไปกินแล้วมันมีแหงแท้ๆแล้วกระบอซสิองีว่าสอดจะต้ไปทําบุญเนะื้อยจะไปเอาเขาให้เจ้าหัวไอจุจ๋ยจริงโบได้ว่าจังสันให้เข้าใจให้ดั่อื่นก็นเห็ดไปรได้แต่ว่าหญ้าหญ้าทิ้งตัวเหงาบทสาคัญจริงๆนั่นคือมันจริงแท้ๆกับมารวมอยู่ที่ตัวชีวิตจิตใจเขานี่ที่มาหให้เหห์ได้เรื่องมูนี้นอกจากเหาแล้วคนอื่นมาทําให้เหห์โบได้แท้ๆนี่ดังนั้นจึงว่า ให้มาเบิ้งกินเบื้องใจเขานี่ทัำเอาเหมือนแมวกับหนูแมวบ้านเขาเคยเลี้ยงหนูมันเคยมากัดเสื้อกัดผ้าเขาเขาไปไล่มันได้เพราะไล่หนูออกจากบ้านจากเหนือเขาไล่โร้อนแลยมันอยู่บนหกหนูโบลอนมันหกโบลอมันมดมือได้มันไปอยู่ข้างหนูบ้านนี้คันเอาของออกมาแล่นหนีคันเาไปขวดแล้วมันเกี้ยงเลยมันบปอยู่หนูเอาแมวมาเลี้ยงประเดีเหินเขามันหกอะเอาแมวมาเลี้ยงไว้ หนูออกมาแมวมันจับหลดจับย่างแรงเนดอยเสด้วยนะบัด น, นี้ถ้าแมวตัวน้อยบัด น, นี้หนูตัวใหญ่หนูออกมาแมวมันจับหนูตัวใหญ่มันตื้นในบัดนี้แล น, น, น แ, นแมวตัวน้อยมันติดหนูไปนี่เป็นเมื่อแล้วมันก็นวางวางหนูนั่นอี่เป็นสบ ม, มุิให้ฝังอัข้อมจริงละเนี่ยบัด น, นี้เขาจะไปโทษแนวอ่ะมึงยังก็จับหนูให้มันตายจะไปโทษมันเอาเข้าให้แมวกินให้มันกินซูมือซูมือ มันได้ขิงเขามันอ้วนง่ายแมวมันง่ายง่ายหนูออกมาแบบ น, นี้หนูตัวใหญ่เท่าเด็กกำลังซางเลยแบบ น, นี้แม่มันง่ายถึงที่มันแล้วพอดีหนูออกมาแ ม, มนก็โดดจับย่างแรงพุดนึงนี่แบบ น, นี้มันซอกตายรลหนูมันดีนโบได้นี่อันนี้พอเนี่ยพอไว้สั่งเสือเกิดลูกมาเธอใดไปเอาแมวไปไปสอนวิชาให้ลูกเสืออวสังแม่พวกินเสืออวสันอันนั้นเพิ่นบุกหุจัก เพื่อนเราซื้อๆอย่างพาก็เสือเพื่นมาแต่คว่ำจริงมมันบวแมนย่างสันเอาไปให้เสือกินว่าไม่เหมียดกินโลดเอย่างพ่อไปบังส่วนสัต์เนื้อแมวไปโยนแมวไปเสือมันก็กินโลดมันไม่ได้เลือกมันโบมู้จับมันวอกกันมาซื้อๆอย่างนั้นแมวกินว่มีเลือดท่านเสือกินมีเลือดท่นเจี๊ยมเอาแมวไปสอนให้ลูกเสืออย่างั้นแมวถ้าพกินเสือจากเธออย่างั้นเพื่นว่ามันบวแมนแมวมันจับย่างแล้วมันซอกรถหนุ่มเนี่ยเลือดมันจะบววิ่งตาม เห็นตามเห็นของมันแนวกินมันนึกว่มีเลือดมันเป็นอะไรันอันนี้ก็คือกันเขาเพื้องควมคิดเขาเนี่ยทักอนั้นเขาจีบว่ทันเห็นมันคิดไปลอยเรื่องพันเรื่องมันจิโร่เหมืนเรื่องเดียวอันมันรู้เรื่องเดียวถ้สมมติว่าพันนึงมันก็บอกวพันได้มันก็เก้าลอยเก้าสิบเก้าอันสมมุติว่าลอยหนึ่งแบบเนี่ยมันคิดมาปุ๊บเขาเห็นเรื่องนึง มัก็บอกฮอรลอนมันกบบมีเก้าสิบเก้าเรื่องนึงแบบนี้เขาเบิ้งเขาบิดนี่ยมันเห็นเื่อหนึ่งสองเพื่อเข้ามาความคิดมันสั้นลงสั้นลงอันนี้เหมือนวิ ธ, ธีลบกับบวกลบออกลบออ ก, ออกอเสียควมคิดแต่มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนน้อมันคิดปุ๊บเห็นปักเหมือนแมวกับหนูพคนละ่ะหนูออกมาแม่มันโดดจะลดอย่างแรงลดอันนี้ก็คือกันอันนี้แปลว่าเป็นการเจริญปัญญา เจรินปัญญาย่างผูผิดเถื่รับรองได้พระพุทธเจ้าสอนจยางซีเถื่อเขาเป็นอย่างบอกมาเว่ามันเป็นอย่างบอกความจริงได้ฟังญาติโยมว่าไปหาบ่ญาติโยมบอเข้าไปวัดติอันนั้นมันเข้าใจผิดญาติโยมยิ่งทิไปแล้วให้ข่มรู้ข่มเข้าใจข้เจ้าเดชพระพุทธเจ้าสอนแล้วให้มีสติกำหนดรู้ในอีญะบุทั้งซี่วะทันยืนเดินนั่งนอน ให้มีสติกำหนดรู้อันนี้เนี่ยเพิ่นสอนจังซี่นี่นะนอกจากันให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยคูเยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มีสติกำหนดรู้เห็ น, น, นเหาไปให้เหาจิบลูบเห่ า, าย่างทั้งเดือนเห่าไปมันหาเป็นอย่างสิบบูงเหาไปส่วนไปนาเหาไปสับหญ้าไปเก็บมอญเขาจิบลูมีสติปะไหมบู ม, มีสติมันก็คือคนตายที่ถนนเ ว, วนอว์ที่ว่ายัางเหน กำหนดรูเทือนึงสนุห์เมื่อหนึ่งสิบสองชั่นนวโมงที่บุรูษจากเธอได้รู้ตัวเหา่าคำมันรูเทือนนั่นมันจะคอยเปลี่ยนไปอันนี้เป็นวันแต่ยังว่าจับต้นมันให้มันได้อันนี้จับต้นส่วนปลายก็ได้เอาแต่บุญพุ่นเอาแต่บุญพุ่นเงนเสียเลยพวกมาสอนขัดเบื้องตัวเห่าจากเธอนี่นะอันนี้เป็นว่าเอื้นขนหลงเป็นเอื้นโมคะที่พระเจ้าว่าผู้ว่ามโมคะนั้นให้หน่ากลัวโมคะบุรุษใส่ไม่ได้ดว่าร์เป็นวัน อันผู้ที่พระเจ้าทูกว่าโมฆะนั่นน่ะใส่บอ่อใดเขาจะเป็นทางทันเป็นเจ้าหัวไอจัวก็กตามเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตามย่าเป็นผู้ที่พระเจ้าว่าโมฆะนั้นคำโมฆะนี่บ่ได้หมายถึงทำผิดกฎหมายบ้านเมืองไ่ได้หมายถึงไปรักไปจยกผู้ใดไ่ได้หมายถึงใดทั้งมดัดหมายถึงคนบูรูษเรื่องเจริญสติบูรูษเรื่องเจริญดิบศาสนาหรือบูรูษตัวจิตตัวใจของเขานี่แหล ะ, พะเพื่อนโมฆะเพื่อนจึงตำหนี่ คนเอื้นโมฆะบุรุษไาบุไดโมฆะบุรุษโมฆะสติโมฆะในหุ้ม้งของจังหวะวาวแล้วบุรุษท่าเคยเล่าผู้ชายผู้หญิงคนเอื้นสตินี่เขาควรที่จะเข้าใจเรื่องจังหีะเรื่องปัญาเอามาสอดกันเนี่ว่าภาษาบ้านเฮาอันนี้นี่แหละผู้ใดพวมาเคยเบิงจิตเบิงใจเขาคนเอื้นโมฆะให้ตั้งจิตตั้งใจตั้งต้นสิริใหม่มือนี้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าสอน อันพระพุทธรูปห่อมันก็คือโมเจ้ามาฝังนี่แหละอันนี้แหละที่เป็นพระพุทธรูปที่ตัดสั้เป็นสาวกของพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้เด็เดๆรับรองได้จริงๆพระอรหันต์ที่ห่อไปตีอันนั้นก็หลงอีกตึมแล้วมันบวแมนอันพระอรหันต์โมูเจ้าเข้าใจว่านั่งอยู่นี่เขาไปหมุนโนตัลลี่หมูนสนับกิบเบีนอยู่คุณเทปุ่นเห็นอยู่คุณไปซื้อเลขกุ่นเนี่มันเข้าใจทีส์อันนั้นนะยังสุขเข้าใจจังสั่น อันภาณาหันหนัไ่ได้ไปมองเห็นเขาไปหมุนมัตเตอร์ลี่อยู่บนบัได้มองเห็นผู้เดวาวพื้นเห่าไปมองเห็นหูทิพยันังก็ะดิษย่าจะไปเข้าใจอย่างสัตว์บอเนียนเดียร์รับรองได้อย่าพอเ้าอยู่เดียรับรองได้จริงๆอย่าพ่อรู้อย่งซีจริงจริงถ้าภาณหันหนั้นหมายถึงเห็ น, ๆๆในใจิตเห็นใจเฮานี้เห็นความผู้มีโกดผู้มีโรคผูมีหลงนี่โยนี้ภาณาหรันอ่ะอันภาณาหันหูทิพย์จนหมายถึงผู้เดวาวผิดเมาถูกบังคู่จัก ว้าวธรรมะส่วนลึกหรือว่าวธรรมะส่วนตื้นหรือหรือว่าโบแมนหรือมันหูจักอะไรพวกเรื่องหูทิพย์พวกเรื่องหูทิพย์แล้วเว้าอยู่สี่ใดหูแหละอยู่กรุงเทพอยู่บ้านหนองกรุงนี่ฟังได้ยินมันโบแมนอันนั้นนะคนว่าตาทิพนั้นเข่าหมุนลอตเตอรี่มุนสลากกินแป่งอยู่คุณอยู่พี่เห็นนั้นอันนั้นกระบแมนย่าไปเสืออจ่างสั่งอันนั้นซื่อว่าผิดแล้วนั่นผิดคำสอนของพระพิจ้าแล้วนั่นผิดจั่งหนักที่สุดผู้ใดอยากไปสอดอย่างนั้นผู้ฮั่นแหละซื้อว่า ทำลายคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวพอออกไม่ออกไปเสื้อจัง้างกั็โดยทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวญาวาผู้ฮั่นทําลายย่าว่าผู้นี้ทําลายให้เราเข้าใจยังสี่หลักพุท ธ, ธาศาสนาสอนอยังสี่พุท ธ, ธาศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นจักเจริญมั่นคงอยู่ดังต้องอาศัยบริสุทธิ์ซี่วะทังคือทิสุทิสุนี้อุบาสกอุบาสิกา มาพืดดีปฏิบัติชอบตามพระธารมวินัยยู่พระอรหันต์ขจิบัววังจากโลกนี้อาศันมานกพอดีทางขจิบัววังจากโลกนี้อาศัยเป็นวันตรงกันข้ามอีกตึ้มศาสนาพระบริเจ้านั้นจะเสื่อมสูญไปหมดนั่นก็นต้องอาศัยพุทธบริษัททั้งสีนี้คือพิสูนีพิสูอุบาสกปัสกาณีบ่าพาขึ้นบ่าพากันปฏิบัติบ่าพาการเจริญวิปัสสนาบาจางสังกัดใดบ่าพาการเจริญปัญญาบาจางังสังกัดใด การเจริญสติบาจยกสศิกระได้เลยเสื่อศูญไปมดว่าส like yeah. right. ันเบิรนวานเดียวเดี๋ยวนี้นี่หายทําลายอยู่นี่เนี่ยพร้อมกันบ่เจ้าหัวไอ้ยัวกับพร้อมกันพอไม่ากับพร้อมกันที่ไปตีผู้ใดบ่นเนี่ยก็ตีสุขผลเสนวะบ่นเนี้ยพักกันเลิกเสื้อเรื่อแข้วเล้สนวะบ่นเนี่ยพักันทีดเทพมันโทุกมันต้องเสื่อเรื่มันเจริญขึ้นมาเสนวะเดี๋ยวนี้มันมืดแล้วเดียวนี้เนี่ยมืดจังได้เนี่ยวกับมืดเจ็ดวันเ็ดคืนนั่นแล้วเทพปุ้เทพเอาเล้ามากินเอาหวยมาห่านี่ย อันนั่นแหละมันมืดอ่ะมูเจ้ากัญญาเวหิตบุญยุบเพราะว่าเจ้ามูเจ้าคา่อยคือกันได้เหตุมาแล้วเนี่ยวสร้างโบสถ์อย่างว่าไปจ้างนางมาจ้างหมอลำมาจ้างลิเกมาเขาลิ้นเจ้าของเฮ็ดบุญจะไปเฮ็ดอย่งสันอันนั่นเสื้อมันผิดเล้มันมืดมืดเพราะยังไงบ่เป็นมืดเขาวยางเป็มืดสวยดีเดีมืดใจญใจมันมืดตื อ, อยู่พุ่นมันหนักกหนักใจทั้งร้อยกิโลคุณเนี่มันมืดป่านนั้นแหละมันถอนตัวโบวขึ้น ดัง น, นเขาจึงว่าพอดตัวเขาออกจากที่นั้นมาตั้งอยู่ที่ใหม่ทําตัวของเขาเป็นผู้ น, านาักโมตระซะทําตัวของเขาเป็นผู้เป็นอาญาบุคคลซะทําตัวของเขาเป็นบัณฑิตซะอย่าไปอาศัยบัณฑิตที่นอกตัวเขาทําตัวของเขาเป็นนักปราชญ์นะอย่าไปเอานักปราชญ์นอกตัวเขารับรองได้จริงๆผู้ที่จเจริญสติปัญญาซี่มีอยู่ในหลักสูตรนักธรรสนเณรอย่างที่เราอ่านแล้ว ซื้อว่าคู่มือธรรมวิจารณ์มาสิครผู้ที่จเจริญสติปัญฐานที่ย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่จะเป็นว่านะให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ดิเรกแล้วก็ถูกต้องอีเสด้วยดินะเจ็ดปีสิครย่างนานจางกลางเจ็ดเดือนนึน่งย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันมีอนิสงส์ฟองประการ น, นึ่งเป็นพระละหันสิรับซองเป็นพระนาคามียสิครับเนี่ย ผนาคามีนะเป็นว่าไปเกิดในรูปปากสัญญาผมเหมือนสนเพื่นว่าอันที่อย่งข้ อ, ว, อว่าดีบอว์จังสันรับรองได้ผู้ที่จะเดินสตีแบบที่เอาพลิกมือขึ้นข้อ ม, มือลงยกมือไปเอามือมาฮิตจังหวะว่าผู้ว่วแบบอันนี้นะ่ให้มีสตีติดตามรู้จริงๆทุกอิทธิบาทแข็งดีรับรองอย่างนานพวกอืนสามปีย่างกลางปีนึงย่างเร็วที่สุดเอ้า นับตั้เต่มือนึ่งถเก้าสี่มือสามเดือนอันนี้แหละรับรองจริงๆงอันนี้เขาบูมุจักเขาบูมุจักปันนี้เขตบุญอย่าพอไปเทศอำเภอน้ลำพองออำเภอน้ลำพองผมแม่นอําเภออำเภอลำพองเพิ่มขึ้นบนนเนาะอำเภอน้ลำพองเนี่ยให้กองกระทินมาในบุญญพ่อไปเทศเอารถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์เนี่ะมาแล่นปื้นปืปาร์ากอยู่ ผู้ฟังก็เลยผู้มีสติผู้มีความสงบเปน็นองอันนั้นแหละทําลายคําสอนพระพุทธเจ้าโดยผูรู้สึกตัวผู้ตั้งใจฟังเทศตั้งใจฟังผู้นู้นผเอารูตจักรยานมาแลกปืนปืปปปปนปานๆโยงสันอันนั้นแหละเขาบกมือจักเพินนพ่นเทศเพิ่นเล่าธรรมะอยู่เขาต้องเงียบปุ๊ควรรสิบปากกี่ขุยปุ๊เควรที่มาใส่เสียงอันานั้นอันนี้มาครบเื่อนไปอนเขาทําลายนั้นซื่อว่าเขาบกมือจักเขายังเฮ็ดเขาโบกจักแล้วเขาบยเฮ็ดแถื่ ใครเสียไปเยียบกองขี้ไก่จากเชื้อมาบังดุโมเจ้าขุนโมเจ้าห็นหมเจ้าจริงากเยียบก็เยียบกองขี้ไก่าบงดูอ๋อใครอยเยียบกองขี้ไก่มาบังดูอยากเยียบจากคนกองขี้มาใครอยากเยียบจากคนเดียวนี่เนี่ยมจะเยียบเป็นบอมันเม็ดเหมนกองขี้ไก่ขอขี้มาไอาไปเยียบกองขี้ไก่ของขี้หมามูเจ้าเคยเยียบบ ผู้ที่ทำลายกิเลสได้แล้วเห็นแล้วหัวจักแล้ววิธีทำลายกิเลสเนี่ยเพลินไหวยังไงบัดนี้ทำทำบุญต่อผ้าโซดานั้นร้อยครั้งพันหุ่นก็ยังว่ามีอานิสงเท่ากับทานให้พระสักกี่ธารคาเชื่อเดียวันทำให้พระสักกี่คารร้อยครั้งพันหุ่นอีกเต็มเพินหนึ่งยังว่ามีอานิสงเท่ากับทานให้พระอนาคามีทำให้พรอนาคามีร้อยครั้งพันหุ่นยังว่ามีอานิสงเท่ากับทานให้พระ อาณหารเทือนหนึ่งวันสันเป็นว่าทำบุญต่อพระอาณาหารนั้นลอยค้างพันหนยังว่มีอเนกทรงหลายเท่ากับทําบุญให้พระเจดเพือนหนึ่งวันสันทำบุญทห้พระเจกันลอยค้างพันหนยังว่มีอเนกทรงเท่ากับทําบุญต่อพระบริเจ้าเทือนหนึ่งวันสันแล้วเขาเห็นว่เห็นพระบริเจ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยว่าเห็นแล้วเขาบอกว่จากพระบริเจ้าเันี้ทําไม่ยืมเปล่าเวสนกันในสมัยเมื่อพระบริเจ้าตัดสโลมาไหม มีที่โองค์หนึ่งชื่อว่าอุปกาสศิวกว่าสั่งเสแวกหาพระบริจ้าซฟอกหาพระบริาคสแวงหาผู้ลุธธรรมะฟอหาผู้ลุธธรรมะพระบรเจ้าคตัดทะลออกไปแล้วยางไปไปพบเอากับนักบวชผู้นั้นแหละนักบวชผูนั้นชื่อว่าอุปการศิวกหาพระบริจ้าเห็นว่าพระบริจ้าสงบส ง, งมดีน้าขารคหน้านับถือหน้ากราบหน้าไหว้วสิ่งนี่แหละท่านยุติธรรมนักใดเป็นลูกศิษย์ของผู้ใด ครูบาอาจารย์ของทั้งสอดจังใดให้อย่างวันหน้าเรื่อมใส่เทสันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์ผู้ใดไม่ได้ยุติธรรมผู้ใดเขาตัดสัลู่เองลู่เองเหตุเองเข้าใจเองเลยเฮ้ยคิดตัวเลยแหลบดีนนี่จ้อยสับนี่อันนั้นแหละเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็บโ b ู้จักพระพุทธเจ้าเพราะเข า, ามีคนทําเหมือนพระพุทธเจ้าดังนั้นเขาไปเห็นพระเดียบบุคคลเขาก็บุผู้จักพระเดียบบุคคลยุติใจ เจตมือนี้ต้องทําตัวของเขาให้มีคุณทําแบบนั้นขึ้นมาเมื่อพูดถึงตอนนี้บัณ น, นี้สมมุติมีพระอรหันต์อยู่ในโลกนี่แหละเขาเชื่อว่าทํา บ, บุญต่อพระอรหันต์นั้นได้บุญหลายบัณ น, นี้เป็นนิมนต์ขึ้นมาอยู่บ้านหนองกุงบ้านโคกกุงหรือหนองกุง้งโน่นบ้านโคกกุงนี่แหละนิมนต์พระเอาเอาพระอรหันต์หมดทั้งโลกนี่แหละมาอยู่นี่และเป็นนิ ม, มนต์อภรรยามาเป็นประธานอีกตืม เขาเสื้อว่าได้บุญไหนไปดีมนเพิ่นมาพระพระเจ้าเองเนี่ยวันเนี้ยเป็นว่าและปัต น, นี้เขาก็มาทำบุญต่อพระเจ้า ก, กับพระอาลภานั่นนะบ่าได้บุญหนพระพระเจ้าเองก็ว่าอยังว่าได้บุญไนหนเข้ามาทำขวมรู้สิบตัวพี่มาทำขวมรู้สิบตัวนี่แหละมันได้บุญไหนาก่อนไปทำให้พระพระเจ้าไปทำให้พหระอาลภานุนอันนั่นก็ได้บุญยู่แต่หักว่ได้บุญหนท่อเขามาทำขวมตื่นตัวเรียกขวมรู้ เขามาตื้นตัวเหาพีไร์ปุณหนั่นสันทำไมจึงได้บุญหลจังสันโจ้มาจิ้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยนำแต่หาพระพุทธเจ้าใหญ่บุญน่ะมาจิ้เป็นจังสันอิสูจิตว่าได้บุญหลายเนี่ยมาจิ้ไปนิพพานคุณนะจิ้มไปหาพระพุทธเจ้าคุณนะแลนวคุูได้บุญไหลหรือวะทําตัวเห่าเป็นพระพุทธเจ้ามือนทีบุดีบอกไม่จิเป็นไม่มพระพุทธเจ้าอยู่ใสอีกติมพระพุทธเจ้าเพิ่นได้เป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นเป็นพระอรหันต์เพิ่นก็ทําำขอมตื้นตัวขอมรู้กตัวขอองงเเพ่น ท่นไ่ได้ไปทํำข่มตื่นตัวข่มรู้สึกตัวตตัวอื่นท่านทาตัวเพื่นเองท่านจึงว่าอารทาบุญใดๆทั้งหมดในโลกนี้ต้มีอานิสงส์เท่าเพราะทํำข่มรู้สึกตัวเรียบข่มรู้สึกตัวเข้ามาอยู่ตัวเฮานี้เป็นว่าจังสันเมื่อมาตื่นตัวรู้สึกตัวเขาอยู่นี่อันนี้แหละมันได้บุญหลายเพราะมันจิไรข่มมืดหนีได้เป็นว่าจังสันว่มมืดันี่ยพวเป็นมืดพ่กมีไฟเด้ ความมืดคือโทสะโมหะโลภะออกไปได้สินโทสะโมหะโลภะจะไปซ่อมหามันเพราะมันโบมีอ <S <S ยู่สเนคุณว่าจะไปซ่อมหามันข้อมืดเนะินจะไปจับมันเหมือนโบธูกันขัดไม่ขีดกับเทียนเนี่ย ม, มีให้ซ่อกเอาอันนี้สินคุนวานนะจุดไฟขึ้นแล้วความมืดมันหายไปโลดว่าสินแล้วเอาไปทําบุญซ่อมหามความมืดเราจะเห็นบอสหนกระโบเห็นแล้วจับโบธึกแล้วขวอมือแต่อันเขาโบาเห็นโทสะโมหะโลภะเพราะมันโบมีมันมียู้ปียู้ใส่สิน มันอยู่กั บ, บคมคิดเอาคิดแล้วพอเห็นคมคิดท่านพอได้คิดไปมันวูบเดี่ยวมันแรงเข้ามาโลดอันโตโทซะโมหาโลพัดน่นะเมื่อเราเห็นที่นี้แล้วโทซาโมหาโลพาดมันก็บม่ได้มีอยู่แล้วอันต้นตอของชีวิตจิตใจของคนทุกคนนั้นจริงว่ามันมีอยู่แล้วอันความสะอาดความสว่างความสงบนั้นมันมีอยู่แล้วพ่อเมตตงงานี่แหละ เขามาสาสมให้มันเห็นมันรู้อยู่สุมือสุบมือเมื่อสิบเทื่อสาวเทื่อหน่อยเถื่อผันเถื่อมันเห็นอยู่ตอวตตมันคิดอันใรปุ๊บเห็นปั๊บหลดอันนั้นเป็นวังเอิญสว่างแล้วเห็นแล้วว่าสันอันสะอาดนั่มันมีอยู่แล้วควมสงบนั่งโอ้ยเสาแล้วเว้ยเห็ุอันอิญใครเห็ุมาพอแล้วล้วเว้ยเหมือละทอนนี้เด้อขมวบีทุกเนี่ยนานะนี้เป็นวังเอินเป็นพระพุทธเจ้าน้อยเป็นสาวกพุทธะนำไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตัดตรู้จรงว่าพ่อการทำทางจิตทางใจอยากไปเสื้อไหล่ว่าเอาขันเอาธาตุไปเสี่ยงน้ำแล้วมันไหลขึ้นไปกระแสของน้ำไปถึงหัวกะละนากอยาไปเสื้อจังสันอนกะละนากก็คือคนนอนโบตื้นนั่นแหะขันไปจมลงหัวกะละนากประโทกเลยตื่นเลยผู้ใดตัดร ต, ตรู้ธเป็นพระพุทธเจ้าแรียนนอนโอ้ยสิธาตุนี่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตัวนอนอย่าไปตื่นปานนี้ว่ า, า, า, ว า, ว เ, าเป็นกะละนากเอาอันโตเฮานี่แหละเป็นกะละนากนอนหลับทับสิตยุดเดี่ยวนี้ดีนะ กองที่ตมใส่หูแล้วก็เห็นจากเธอก็ตื่นจากเธอโตเฮานี่แหละอย่าไปว่าผู้ดันผู้นี้อันนี้แหละที่นํามาเล่าให้ฟังในความจริงมันเป็นอย่างสั้นขันเ่าความจริงให้ฟังเพื่อปหาว่าคิดตัวอะไสัคนที่มันซอบตัวขันเล่าความจริงให้ฟังเลยมันโปเสื้อมันเป็นอย่างสั้นที่ว่ามันตายไปโดยที่บัรู้สึกตัวอันนี้ถ้าเข้าใหญ่อย่างสั้นการทวนกระแสของน้่นนั่นหมายถึงทวนกระแสของความคิดมันคิดมาให้มันเห็นมันรู้ มันเห so ็นมันรู้และมันจุดเอารลดคันมันบ่อเห็นมันบ่รู้นะเอิญเอิญว่าเอิญปฏิจญาณสมุปปาบาทว่าท่นอวิชาเป็นปัญญยเกิดสังขารสังขารเป็นปัญญาเกิดปิญญาปิญญาณเป็นปัญญาเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัญญยเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัญญาเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัญญาเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัญญาเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัญญาเกิดอุปาทาน ประธานเป็นไปจะเกิดพบเกิดซาร์โศกกรรมพิวัทุกทโธมระสอุปยาดวะสันอันนั่นเป็นเป็นความเวามันเล่าหลายๆลายวิสาคือความผู้เห็นจิตเห็นใจเนี่ยอันนี้แหละเป็นโมฆะผู้ด่เห็นวิจิตเห็นใจเนี่ยวิปัสนาไปว่าเห็นแจ้งรู้จริงอันนี้ดีนะบุษย์ไม่อด็อื่นเนี่ยวิสาไปว่ารู้แย้งรู้บ่อนไดเลยรู้จิตใจมันคิดก็มันไ้เห็นรูดเนี่ยนี่มันเลยน้อยดีน่ะมันไ่พออยากเอาคนคนเอาน้อยมันไ่พออยากเอา มันจะเอาหลายพลันอันเอาลายมันพุกมันพุกอันควรพุกนะมูเจ้ามักบเยิ่งไอ้บัมักจากคนแล้วไอ้ขี้มักจากคนอันบอกให้ฝังเมื่อกี้ดีนะไอ้ขีไปเยียบของขี้หมาอันเห็นที่มันเหม็นไอ้ขี้ไปเยียบของขี้ไก่ขันมันเห็นเหรอมันบ่เห็นจึงไปเยียบเอามันจึงหมิ่นตีนตินเขาเนี่ยไปล้างออกล้างออกกับกุ้งได้โซคู่โซขาวอันเอาเพชรบุญนก็คือกันเิดแล้วมันดีใจโซคู่โซขาวทอนนั้น มาจะมาผิดกันอีกตื้มผัวเมียขัผิดกันลูกก็ผิดกันแถวบ้านแถวมันก็ผิดกันอันนั้นก็ดีอยู่แต่มันก็เป็นแกนแท้มันก็เป็นไม่จิตไม่ห่างมันก็เป็นไม่แต้อันเอาไม่แต้เอาเสาเหล็กเสาปูนนี่เป็นยังวะยังเอามาปลุกเงินมู่เช่ามัเป็นยังยัดตายบ่ตายแค่นั้นมันตายบ่เป็นยังเอาของดีๆมาให้ดิบวะยังเอาบ่วะยังเอากระพังันตายบนสะท้นนั่นหรอวะที่ว่าอยางไหนเออ นี่แลหละห่างไปหาพระบริเจ้าว่ะว่ไม่เอื้นไกล่รลับรองได้จริงๆรอย่าพ่อรู้เรื่องนี้จริงๆริงที่ว่าอ่อยถกเหมันโบได้หีอยู่แล้วได้หักบทเสแวกฮ่าซื่อๆนี่นะอันนี้เมื่อเมาจังที่กะจีว่าอีซื่อบทหนึ่งจนมาคนเกิดมาร้อยวันพันปีว่าสัน <c oughs> ถ้าโบเห็นอาการเกิดดับนั้นชีวิตของพวกนันเป็นมันว่าสันแปลว่าภาษาบาลีเด็ดว่าภาษาบ้านเฮาดีเด็ดเนี่ คนเกิดมาร้อยวันพันปีผู้น่ะผู้เห็นอาการเกิดจากผู้เห็ประโยชน์มียั่งชีวิตพวกมันเป็นมันเป็นวัตสู้ผู้เกิดมามือเดียวนึงคนเกิดมามือเดียวมืเจ้าเห็นปะมันพิกกีนตีนโตได้บะมันจิ้พิชกีนตีนโตได้มียั่งคนเกิดมามือเดียวนึงนะพิชกีนก็ะโเป็นกินเข้ากระโปงเป็นไปขี้ไปเนี้ยวกรบโเป็นนะก็มีผู้เอิ้อส้อยทางนั้นนะอันเกิดมามือเดียวคือมูอเจ้ามาฟังอย่าพอบ่าเดี๋ยวนี้นี่แหละ น, นี่จะเกิดมาเมื่อเดียวเนี่ยรู้เห็นเข้าใจอาการเกิดดับดีกว้วมีประโยชน์ก้วบุคคลเกิดมาลอยวัดทันที่พุนเป็นวันาาสั้นให้เข้าใจจังสั้นเข้าใจพวกเขาจะกระดักยาแล้วลอยฟังซื้อๆแน้ไม่บ่นวันนี้คนปวดมาลอยพันสามันเนี่ยเนี่ยอาจารย์ว่าพิไปหาว่าโจมตีเจ้าหวยจวบว่าไม่โจมตีว่าคุามจริงให้ฟังปวดมาลอยพันสามันนะบพร า, าว่าแต่เจ้า ก็ตัวหนังสือมันเอาอย่งสันบวชมาลอดธนชาตทาหาท้าป้ออินอาการเกิดดั บ, ดบกัตาบวชขอบวัเป็นหมันโอ้สเปนวานอ่ะอันนี้แหละม่เจ้าวเข้าใจให้จริงๆบวชมาลอดธ น, นาตพุทธการบวชขอบวับมีประโยช น, น์พี่ยังโอ้สเนวาเป็นหมันคำว่าเป็นหมันนี่ก็แเป็นวะไซโบดาแล้วผู้หญิงบวมีลูกมันิได้ไซได้บอ เราไปไสลงสีให้มันพัดออกมาเป็นเข้าทีหนึ่งผู้มีปัญญาจ่างแหลมผมผู้ใดผู้มีปัญญาจ่างแหลมผมก็หักครึ่องออกมาเป็นเข้าทีสองผู้ใดผู้มีปัญญาหลุดลงมาอีกเติมหักสามบ้านสี่บ้านเป็นเข้าทีสามไปผู้ใดผู้มีปัญญาอีกเติมหักเป็นเข้าเปลี่ยนข้าวปลายไปอีกเติมผู้ใดผู้มีปัญญายิ่งเร็วไปอีกเติมได้นึ่งเป็นหำไปอีกเติมผู้ใดผู้มีปัญญาจักเมื่อกับเป็นขี้แก่ไปแล้วบรรนั้นอันนี้แหละ ี่ว่าไปฟังธรรมะเจ้าพระพุทธเจ้าเจ็วันเจ็ดคืนเหมือนมืดปุ๊บ น, น, นะมันห่อไปดันนาะไปฟังแล้วผู้มีปัญญาได้เป็นพระรหลานโลดผลว่าอ่างฟันแต่ความจริงมันว่าไปเรื่องหนึ่งว่าให้คนมีปัญญาแทงซอดออกไปที่ซื้อดีนะเขามาเจริญปัญญาเนี่ยมันจะหูแจ้งเห็นจริงมันจะเข้าใจจริงหลักพุทธศาสนาโดยที่บอกเอื้อเหินรับรองได้จริงๆริงคำสอนที่นํามาเวามือดีเนี่ยรับรองได้จริงๆ เขาไม่สอนเรื่องคุกว่าไม่สอนเรื่องอื่นว่ไม่สอนตายแล้วเอาเมืองสวรรค์ว่าไม่สอนตายแล้วออกผนิภานบ่แมนไผซือว่าแม่งกระสร้างอย่าพ่อโบเสือโบฝังเพ่ออย่าพ่อลู้จริงแล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานอยู่ที่ใจอยู่สอยู่ที่ใจก็ยุทธิ์นำเขานิสันวะเขาไปให้มันกระจายเขามีเข้าไปนามันกระจายเขามีเข้ายู่งเงินมันกระจายเขามีเขาไปยั้งไปซื้อไปขายมันเขามีจิตมีใจทําไมจึงว่าสวรรค์อยู่นี้ทำไมจึงพระนิพพานอยู่นี้ทำไมจึงนรกอยู่นี้ เขาก็มาตื้มนี่เ ป, นนเป็นอย่างมันเป็นอย่างแบเบอรกีเนียอันนี้มันลืมโตลืมโตแล้วมันยอมมาทานบาทนึงแนบกกิดเบอส า, าพูนเนอทานมาเว้ยซวยลงซวยลงทานกยงขึ้นยงขึ้นเธอไปวะมันะด็กเา